ช่วงนี้เรียนนิโรสัจจะในอริยสัจบภะซึ่งสัจจะบพะนั้นถือว่าเป็นบพะที่สําคัญมากในสติปัฏฐานที่จริงการเรียนบพะก่อนหน้านั้นทั้งหมดเนี่ยนะทุกๆบพะก็เพื่อที่จะได้ประมวลจะได้ประชุมลงอริยสัจเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาพระธรรมคําคสอนก็อยู่ที่การ รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจซึ่งในแต่ละสูตรจริงๆก็คือการประกาศสัจจะทั้งหมดแต่ว่าในสูตรนี้ในที่นี้เนี่ยนะก็ชี้ชัดมาที่ตัวอริยสัจเลยว่าอริยสัจแต่ละอย่างนั้นทํากิจอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เจริญอย่างนี้เนี่ยนะอันการพิจารณาการใคร่ครวนก็จนกว่าจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ก็ไปดูข้อความในปาตลิคามียวักที่8ในคุธการนิกายอุทานในอุทานนั้นกล่าวถึงพระนิพพานเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคเปล่งอุทานเกี่ยวกับพระนิพพานเนี่ยติดติดกันเนี่ยสี่สูตรด้วยกัน ซึ่งทั้งสีสูตรนี้เขามีสูตรที่หนึ่งเรียกว่าปฐมนิพพานสูตรเนี่ยนะสูตรที่สองก็ทุติยนิพพานสูตรสูตรที่สามก็ตาตยะจตุทะมีอยู่สี่สูตรด้วยกันที่พระผู้มีพระภาคแสดงเกี่ยวกับนิพพานซึ่งก็จะมาอ่านให้ฟังว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้พิสูนทั้งหลายเห็นแจง้งให้สมาทานให้อาทานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกรถาอันปฏิสังยุตด้วยนิพพานก็พิสูจน์เหล่านั้นกระทำให้มั่นมนสิการแล้วน้อมนึกธรรมีกรถาด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมนะก็ประมวลจิตทั้งหมดเลยนะประมวลจิตทั้งหมด เพื่อที่จะลงฝังธรรมไม่เอ่อว่าไม่สอดสายโสตะภาษาท่อาอวัชนะรับเสียงทั่วๆไปประมวลทั้งปัญจทาวารวิถีเน้นโสตะวิญญาณนี่เป็นหลักโสตะในนั่ะนะกระว่าโสตะทวารวิถีกับมโนทวารวิถีนี่ก็คิดใคร่ครวรเพ่งตามพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสอะนะ ซึ่งข้อความที่พระองค์ตรัสก็คือตรัสอสังคตาสังยุตนั่นเองลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงแต่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่คำ น, นี้เป็นชื่อของนิพพานะนะว่านิพพานนี้มีอยู่ ดินน้ำลมไฟอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะโลกนี้โลกหน้าพระจนันทภพทั้งสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้นเป็นอายตนะพิเศษว่า ง, งั้นไม่มีธาตุสี่อยู่ในนั้นเลยไม่มีอรูปอยู่ในนั้นเลยคือหมายความว่าไม่มีอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าดวงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็สองไม่ถึงนะว่าอายตนะนั้นนี่มีอยู่นะดูการพิสู่ทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ไมิได้เป็นไปหาอารมณ์ไม่ได้นีแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะนะอันอายตนะนี้แหละ ถือว่าเป็นอายตนะที่เป็นที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะซึ่งในอัตกถาอธิบายว่าบทว่านิพพานปฏิสังยุตตาความว่าอาสังขตาธาตุที่อาศัยอมตะธาตุเป็นไปด้วยอำนาจการประกาศให้รู้คือพระผู้มีพระภาคแสดงอมตะธาตุให้พระพิสุททั้งหลายเนี่ยฟัง พระภิสู เ, เหล่านั้นเมื่อฟังแล้วเนี่ยนะตามที่พระองค์แสดงเพื่อให้เห็นแจ้งให้อาถานให้สมาทานให้ร่าเริงคําว่าพระพิสูเหล่านั้นเนี่ยนะฟังแล้วเห็นแจ้งสมาทานอาถา น, าานร่าเริงที่พระองค์ตรัสอธิบายว่าบทว่าสันทัตเสติความว่าทรงแสดงโดยชอบอันเหมาะสมแก่อัธยาศัยของภิกษุเหล่านั้นเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงคือโดยปริยายนั้นนั้นโดยในเป็นต้นว่า ธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายราคะเป็นที่ดับอันเป็นเครื่องสงบสังขารทั้งปวงอันเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงนั้นอันธรรมชาติหรือสภาวะของพระนิพพานก็คือเป็นที่สิ้นตัณหาหมายความว่าอริยมรรคนั้นเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วตัณหาเนี่ยก็จะสิ้นไปราคะก็คลายไปตัณหาก็ดับไป สภาพของนิพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบระงับสังขารทั้งปวงและผู้ที่แทงตลอดพระ น, นิพานอันนี้ก็สามารถที่จะสงบระงับสังขารทั้งปวงได้เนีย่ยนะฝันอุปธิเนี่ยนะกิเลสูปธิกามูปธิอภิสังขารูปธิเป็นต้นเนี่ยอุปธิเหล่านั้นทั้งหมดถ้าแทงตลอดพระ น, นิพานแล้วถือว่าเป็นอันดับไปเพราะธรรมชาติของพระนิพานนั้นสงบระงับอย่าง คำที่เราพูดคุยกันบ่อยมากเช่นจักโคจัคโคสมุทไทยจัคโคนิโรตจัคโคนิโรทักคำไมินีปฏิปทาจัคโคนิโรตไม่ใช่สภาวะเขาไม่มีนะไม่ใช่ศักแต่ว่าพูดกันเพลินๆไปอย่างนั้นนะเป็นคำที่เรียกว่าสนุกปากคล่องปากอันนี้ไม่ใช่สภาวะของจัคโคนิโรตมีอยู่เห็นไหมไม่ใช่พูดให้ให้เพาะๆเฉยๆนะ มันเหมือนกับว่าโรคมีอยู่ต้นเหตุแห่งโรคมีอยู่ความหายโรคมีอยู่นะ น, นะคือคำว่าหายโรคไม่ใช่ว่าสับแต่ว่าพูดลอยๆใช่มแต่สภาวะที่ดับโรคไม่มีโรคมีอยู่คือถ้ารักษาโรคได้นะบำบัดต้นเหตุแห่งโรคได้โรคก็เป็นอันหายไปพระนิพพานก็ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติทำปริญญาในจากุ ละจากขู่สมุทัยก็สามารถที่จะทําให้แจ้งหรือว่ารู้แจ้งแทงตลอดจากขู่นิโรธเนี่ยนะไอจากขู่นิโรธอันนี้แหละเป็นที่สิ้นตันหาอ่า น, นะถ้าแทงตลอดจากขูนิโรธก็ถือว่าเป็นที่สิ้นรูปปตัตนหาเป็นที่คลายราคะเป็นที่ดับตันหาแล้วก็สงบประ ง, งับสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงนั่นพระภิสูจทั้งหลายท่านฟังแล้วท่านก็เข้าใจเลยว่าโอ้พระนิ้ผ่านนี้เป็น เป็นสภาพแบบนี้พระองค์ก็แสดงธรรมะให้สมาทานว่าบทว่าสมาะเปติความว่าทรงกระทำให้พิสูทั้งหลายน้อมไปโอนไปเงื้อมไปในธรรมะนั้นพร้อมด้วยปฏิปทาเครื่องบรรลุชื่อว่าทรงชักชวนคือให้พิสูทนั้นถือเอาชอบว่าเธอพึงบรรลุนิพานนั้นด้วยอริยมรร น, น, นีคือชี้ชวนชักนาให้พระพิสูนั้ น, นั้นน้อมไปเพื่อที่จะ แทงตลอดพระนิพานที่เป็นอสังขตะธาตุเหล่านั้นบทว่าสมุตเตเชติความว่าทรงทําให้พิสูจน์เหล่านั้นให้อาฐานในการบรรลุพระนิพพานหรือให้ทําจิตให้พองแผ้วในพระนิพพานนั้นคือท่านฟังพระนิพพานแล้วจิตของท่านพองแผ้วนะหมายความว่ามีความสุขสบายใจเป็นอย่างยิ่งฟังแล้วก็ร่าเริง ของเราเป็นงไงฟังคําว่านิ้พานนิราเริงไหมคุณชุ่สีเงี้ยไงเอออุเบขาเอาหน่อยาร่าเริงก็โศมันัปใช่ไหมก็คือฟังแล้วนิพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบระงับดับกิเลสดับทุก์เนี่ยนะเป็นที่สิ้นไปแห่งวัตถุทุกเมื่อฟังแล้วก็กระยิมดีใจเพราะว่าผู้ที่แทงตลอดพระนิพานอันนี้นี่แหละที่จะทําให้ปิดอบายได้อบายทั้งหลายก็ถือว่าเป็นอันปิดไปเนี่ยนะ สังขารที่จักปฏิสนธิในอบายสังขารที่จักปฏิสนธิในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสังขารที่ปฏิสนธิในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ถือว่าเป็นอันสงบระงับดับไป <c oughs> วันนี้คุณเออบันสุกที่แล้วคุณหมอก็ยังเขาเอาหนังสือฝากไว้ให้นี่ก็ไปเปิดพลิกดูรูปอีกครั้งหนึ่ง นะซึ่งรูปของชาวป่าชาวเขาเนี่ยนะที่สงไขจะห่างไกลจากความเจริญพวกพยาธิเนี่ยมันชอนตามร่างกายอย่างกับว่ามันชอนที่อะไรสักอย่างนะนะมันชอนอยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็ผ่าแล้วก็ดึงเอาพยาธิออกมาจากตามอวัยวะต่างๆเหมือนกับเราดึงไส้เดือนออกจากอะไรสักแห่งอันนะลักษณะแบบนั้นนะ่ะดึงออกมาจากเหมือนกับว่าจากทั่วร่างกายได้เลยนะคือคือ มันเป็นพยาธจริงๆตัวเบิ้องตนะตัวเท่ากับเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นเล็ก ๆ, ๆ, ๆนะเท่าเท่านั้นนะแล้วก็มาโมนโมนโมนมันเส้นกลมๆเนี่ยนะอีกเจ้าหนึ่งเดึงออกมาจากอันท่าเนี่ยเบิ้มงนเลยคือแล้วก็บางคนนี้ก็ออกมาจากสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคือคือถ้าหากว่าเป็นซากศพเนี่ยเราก็ไม่แปลกใจว่าท่านนอนไปใช้ในซากศพนะไม่รู้สึกแปลกใจเลย แต่นี่มันคนเป็นๆอ่ะนะนอนมันใช่เต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นกนลอลเแถบในในรูปอ่ะนะในรูปทางการแพทย์เขาะนะไอ้นึกว่าหูฟังเห็นแล้วขนลุกเล ย, ยงั้นเอะคือคือมันชอนใช้ออกมาแบบมันไม่น่าเป็นขนาดนี้อ่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าถ้านอนบางตัวมันเหมือนกับใครเคยมีมดไต่ตัวบ้างอ่ะนะลักษณะนั้น อ่ะ น, นะมันก็เหมือนกับมันไต ย, ยุ่เย่ยุ่เย่ไปหมดเลยแต่ว่าไอตอนที่ไปบินทาบาทเห็นนอนขี้หมูเนี่ยนะเราก็ว่ามันโหปฏิกูลมากแล้วแต่ว่าน้อนตัวนี้มันไต่อยู่ในคนเป็นๆนี่ยสิโอกลายนี่เนาะเนี่ย น, น ะ, อะไอแบบมีผิวหนังบางก็มีไอแบบไต่เห็น <S <S ๆ, ๆก็มีเนี่ยนะก็สารพัดนะนะสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยเคยอยู่บ้านเลี้ยงควายเนี่ย ก็ไอ้ที่มันไตที่ตรงไม่ใช่ที่ก้นควายนะก็ใกล้ๆก้นนั่นแหละมันก็จะขิดกันมันก็จะอะไรกันนะก็เป็นแผลแมลงวันก็ไปต่ายตอมหนอะแมลงวันตายตอมมันก็ไขลงไปในที่สุดเนี่ยนะนอนมันก็ใช้ทีนี้ถ้ามันใช้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปเนี่ยมันก็รูโบลึกลงไปเลยเนี่ยนะก็เป็นเป็นในลักษณะนั้นคุณบุญชูไปเจอหนอนมันตายแบบไหนเนีอ๋อเป็นแผล เซตตอนมุนโชก็ไปเห็นที่ว่ามันคนไข้เป็นแผลใช่ไหมไม่ได้ดูแลก็ปล่อยให้แมลงวันนี่มันคขายสใช่ต้องลงมือลงไม้ลงมือเองอะนะแล้วแล้วทำยังไงกว่านอนมันจะออกชนๆหน่อยใช่ อืก็เหมือนกับว่าอะไรหลุดออกมาจากรูนะแต่นี่มันออกมาจากอะรเรียกว่าแผลคนเป็นๆ น, นี่สิซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ากายนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดกิมมิชชั่นังที่พระองค์ตรัสคือถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคงคงภาพเหล่านี้คงเห็นชัดใช่ไหมสมัยที่สุขลักษณะ น, นะเป็นต้นไม่ค่อยดีเนี่ยนะสมัยที่เรียกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ย ที่ได้ยินบ่อยๆมากเลยคือข้าวยากหมากแพงฝนแรงสมัยสมัยนี้ก็ฝนแรงนะแต่ว่าอาหารเนี่ยก า, การขนส่งมันดีขึ้นอาหารก็เลยส่งทั่วถึงกันอย่างปีก่อนเนี่ยนะนั่งรถฐานโค ร, ราชบางอำเภอนี่แรงมากข้าวนี่ไม่พอจะได้กินแน่แต่เนื่องจากว่าการขนส่งในยุคนี้ดีทั้งก็เลยการขนส่งอาหารขนส่งสเสบียงก็เลยทั่วถึงกัน ประชาชนที่เรียกว่าอดตายในลักษณะแบบโบราณไม่ค่อยมีทีนี้แต่ว่ายุคยุคสมัยก่อนเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าตายกระดูกตายเขาเกลื่อนนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกแมลงพวกอะไรมันก็ชนชัยทราบศพเนี่ยให้เห็นอยู่ถ้าตายกันเยอะๆเนี่ยเผากันไม่ทันหรอกเผากันไม่ทันนอนก็ยั่วเยี่ยทีนี้คนเป็นๆที่ดูแลสุขภาพไม่ดีก็นอนเนี่ยชัยเลย มีพระพิษุกกลุ่มหนึ่งที่บวชมาจากวันนะพราหมณ์ที่เรียกว่าเป็นผู้ดีเก่าหรือไงไม่ทราบไม่เคยล้างก้นเองเพั้งเข้ามาบวชเข้าก็เลยไม่ยอมล้างก้นนอนมันก็ชัยขึ้นและไอ้รูปวันนี้ที่ดูนะมันก็เป็นลักษณะนั้นด้วยท <c oughs> ก็เลยนึกหูอะไรจะตานนั้นนั้นก็ถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะสภาพเหล่านั้นไม่ได้พ้นเลย แต่สภาพของความทุกข์ทั้งหลายที่เที่ยงทั้งมวลที่มีอยู่ในวัตตะเนี่ยนะเป็นรูปคนคนเดียวใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่คนเดียวมันเป็นตัว<น>โว้ยหลายคนมากปเป็นเหมือนกันหมดเลยเออก็มันก็เป็นไปต่างๆอะนะมันก็ไม่เหมือนกันเพราะแบบฟอร์มมันไม่เหมือนกันอะไรแต่ว่ามันมีอยู่รูปหนึ่งอะนะเราเคยอ่านในเปรตตวัตถุเนี่ยเจอบอกว่าลูกพวกผู้ชายเนี่ยนะไขอันทับใหญ่เท่านี้อย่างเงี้ยเราฝากเท่าหม้อนะบางทีท่านบอกว่าเท่าหมอ้อ แต่ว่าดูในรูปมันจะใหญ่กว่าใหญ่จริงๆอ่ะนะโอ้หัวคนที่เห็นเนี่เล็กอะ่ะห้อยทงเทงกันขนาดนั้นก็บอกว่าบางประเทศเนี่ยเอาไว้ตีอะไรนะก็ว่าตีไอโลตีได้เอาไว้ตีแผ่นโลตีได้มันใหญ่ขนาดนั้ น, น, นนะอันนี้ขนาดมนุษย์นะจํากล่าวไปใหญ่ถึงในโมเปรตทั้งหลายพมันบาปกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทํ า, รรท า, ทาทไว้แล้วเนี่ยมันมันพร้อมที่จะให้ผลได้ในทุกสารพัดรูปแบบ ท่านถามว่าเราจะออกจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เ, เพราะว่าไอ้กรรมมาชรูปเหล่านั้นมันเป็นผลของวิบากทั้งเป็นผลของกรรมรูปทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามอํานาจปัจจัยคือกรรมอย่างหนึ่งปัจจัยคืออุตุอย่างหนึ่งปัจจัยคืออาหารอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ปัจจัยคือกรรมเนี่ยมันเป็นตัวที่สําคัญที่สุดแล้วเราจะดับมันได้อย่างไรเนี่ยมั น, ม น, มนไม่ยอมเลิกไม่ยอมราเลยนะจะดับมันได้อย่างไงจัดทําลายมันได้อย่างไรนะ เขามาเคยถามหมอว่าหมอไอไองอนไก่ไอหูดงอนไก่เป็นต้นเนี่ยกับมะเร็งมันต่างกันยังไงบอกว่าหมอเขาบอกว่าหูดงอนไก่เนี่ยนะมันโตแล้วมันเลิกโตบ้างมันรู้จักเลิกโตไอมะเร็งเนี่มันโตมันไม่เลิกเติบเป็นเลยนะมันก็โตไปเรื่อยโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยไอกรรมม่ชรูปทั้งหลายมันก็ไม่น่าต่างอะไรใจก้อนมะเร็งที่มันมันไม่ยอมเลิกโตเนี่ยถามว่าทํายังไงจะให้มันเลิกโตได้เนยนะถ้าไม่คิดไปดับที่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลย ถ้ายังมีกายนี้อยู่ที่จะทำให้ไม่มีสารพัดโรคมันเป็นไปไม่ได้หรอกทีนี้แล้วทำยังไงที่จะดับกายเหล่านี้ได้วันนี้เจอในพุทธพจน์คำหนึ่งว่า<อ>เหตุเกิดความดับทุกขธรรมคือที่อื่นๆเนี่ยใช้คำว่าขันห้าใช่หเหตุเกิดความดับขันห้าแต่ตรงนี้ใช้คำว่าทุกขธรรมถามว่าทำไมจึงใช้คำว่าทุกขธรรมบอกว่าสารพัดทุกเนี่ยมันเกิดที่ขันห้า ห้าไม่มีขันห้าทุกทั้งมวลในโลกไม่มีเพรา ะ, ะสารพัดทุกเนี่ยนะเกิดที่ขันห้าสารพัดมิจฉาทิฐิก็อาศัยขันห้าเกิดขึ้นสารพัดความประมาททั้งหลายก็อาศัยขันห้าเพรา ะ, ะความชั่วชา้าเร็วซามทุกชนิดอาศัยขันห้าทั้งนั้นเลยเพราะะนั้นทํำยังไงถ้าไม่ตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยไม่สามารถที่จะดับขันห้าได้ มันพระนิพานนั้นจึงเป็นที่สงบระงับดับขันห้าถ้าหากว่าเราทั้งหลายตรัสรู้พระนิพานเนี่ยนะขันห้าก็เลิกก่อสัทีนึงเลิกก่อพบก่อชาติเลิกก่อวัตตะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังเพลิดเพลินอยู่นะก็ไม่ใช่ฐานะคือวัตตะเนี่ยนะมันมันหน้าข้อ ง, งจริงๆคือมันลักษณะว่าตอนกุศลวิบากทําบุญไว้ดีบุญมันให้ผลนะมันก็หลงอยู่ในโลกแห่งความเพลิดเพลิน ตกอยู่ในโลกแห่งความเพลิดเพลินใช่ไหมพอเพลิดเพลินนี่การมาฉันท่า น, นิวอนเกิดปัญญาก็ลดน้อยถอยลงไปทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดทุกอย่างน่าเพลิดเพลินไปหมดก็ใช้บุญจนลืมใช้ไปทีหมดบุญเลยคันนี้ไปตกเป็นถ้าอยู่อบายเป็นเดรัจฉานไปแล้วมากไปด้วยอะไรมากไปด้วยโมหะแทนเพรา ะ, ะนันวัฏะมันก็อยู่อย่างงี้นะพอได้เหตุได้ปัจจัยทําบุญกุศลแลวิบากเกิดเพียบพร้อมดี ลืมิตรประมาทอีกพอหมดบุญอีกก็ตกไปอย่างเงี้ยนะก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้ น, นลงลงเพราะฉะนั้นน้อยคนนักที่จะเห็นว่าการปฏิบัติเพื่อแทงตลอดพระนิพพานนั้นเป็นสาระการปฏิบัติเพื่อดับขันห้าเป็นสาระท่านก็โดยมากจริงๆเนี่ยนะไม่มีความรู้สึกว่าขันห้ามันร้อนอะไรเลย อันนะคือคือเพราะอะไรเพราะเขามีปัญญาเห็นแต่ชีวิตในชาตินี้เท่านั้นเองถ้าเขารู้พบต่อไปชาติต่อๆไปเขารู้จักวัตตะอันไม่มีที่สิ้นสุดวัตตะอันยืดยาวไม่มีที่สุดเนี่ยนะเขาต้องรีบปฏิบัติเป็นแน่ถ้าใครรู้รู้กติกาของวัตตะเป็นอย่างดีนะที่ไม่รีบภากเพียรปฏิบัติให้แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยเขาอยู่นิ่งไม่ได้เนียนะคือถ้ารู้กฎเกณฑ์ของวัตตะเนี่ยเต้นผางกันทั้งนั้นแหละแต่ว่า ไม่รู้ซะอย่างเดียวเนี่ยนะสบายเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติในพระนิพพานเนี่ยนะควรที่จะมีความบากบัน่นมีความมั่นคงเนี่ยนะทำจิตให้ผองแผ้วให้เลื่อมใสให้มีจิตเนี่ยน้อมไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปฏิบัตินี้พวกเธอทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุอย่าหยุดเส้นในระหว่างว่างั้นถ้าไม่บรรลุพระนิพพานอย่าหยุดในระหว่างนะ พระงก็ยังชี้นําไปว่าพระนิพพานนี้ทําได้ยากมีความยินดีได้ยาก น, นะคือถ้าพูดถึงผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญไว้แล้วเนี่ยนะยากนักที่จะยินดีในพระนิพพานไม่รู้ว่ามันดียังไงเนี่ยนะไม่มีขันห้าแล้วดียังไงคุณมันมีว่าไงนะไม่มีขี้เรือนให้เก่าแล้วมันดียังไงขี้กาครับ อ, อ๋อไม่มีขี้กาบให้เก่าแล้วมันดียังไงเงี้ยเลยไม่มีขันห้าเนี่ยให้ใหย นะใช่ก็มันมีมันก็มีอาจจะมีนะคนถามว่าวิตฐฐานลักษณะนี้มีไหมในโลกมีไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีหรอกมีจริงจริงแหละเชื่อกุตมูลมีไม่ได้พูดไม่มีมูลความจริงอ่ะนะแต่ว่านี่แหละคือความวิประลาดของสัตว์ทั้งหลายเขาเป็นอย่างนี้จริงๆอนะเพลิดเพลินในวัตถุที่ไม่ควรเพลิดเพลิน อ, อะไรสิ่งใดที่นำมาสึ่งความเสียหายก็ ก็ไม่รู้ตัวนะสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความเป็น้ลทุกข์ก็ไม่เข้าใจพระองค์ตรัสว่าเพราะผู้เพราะพระนิพพานนี้อันผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยมีความภาคเพียรไม่ใช่ทำได้ยากเนี่ยนะถ้าสั่งสมบูรณ์ไว้ดี น, นะตั้งอัตตาสัมมาปณิที่เอาไวด้ดีไม่เป็นไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะที่จะบรรลุปัญหาว่าเรามีศรัทธาน้อมไปหรือเปล่า ไปดูสูตรหนึ่งชอบมากก็บอกว่าถ้ามหาสาระนะฟังรู้เรื่องอ่ะมหาสาระก็บรรลุเหมือนกันว่ากันหมายก็่าชี้ไปที่ต้นไม้นะพระพุทธเจ้าชี้ที่ต้นไม้นะถ้าต้นไม้ต้นนี้ฟังแล้วรู้ความอ่ะต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นพระทศดาบันได้นะพระองค์ชี้เอาขนาดนั้นคือทําไมพระองค์ต้องชี้ขนาดนั้นบอกว่าคือเนื่องจากว่าประสวดศาสตร์ส่วนทั้งหลายไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ค่อยเลื่อมใสว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะ ดีจริงหรือเปล่าถ้าบรรลุแล้วมันดียังไงเป็นต้นเนี่ยนะก็คือไม่น้อมใจเชื่อนั่นแหละสัตธินรีไม่มีกําลังเมื่อสัตทินรีไม่มีกําลังมันก็เลยงอนเงี้นงอนเงี้ยนนะนะศรัทธาพระไม่เกิดความไม่มีศรัทธาก็เอาไปหมดวิริยะพระไม่เกิดความเกลียดคร้านก็เอาไปหมดสติพระไม่เกิดความประมาทก็เอาไปหมดสมาธิพระไม่เกิดไม่มีกําลังเนี่ยนะความฟุ้งซ่านก็เอาไปหมดปัญญาพระไม่ดีโมหะก็เอาไปหมด พันพ่อองค์ก็กระตุนน้นน่ยนะก็กระตุ้นในกลุ่มผู้ที่มีบุญนั่นแหละแต่อย่างว่าผู้ที่ไม่มีบุญก็ไม่รู้กระตุ้นยังไงก็กระตุ้นไม่ขึ้นเชื่อเธอทีนี้การที่จะบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะบอกว่าเธอพึ่งลุกขึ้นพยายามเพื่อเพื่อปฏิปทาอันหมดจดมีศีลวิสุธทธิเป็นต้นถ้าเธอปฏิบัติตามวิสุธทธิเนี่ยนะมีศีลวิสุธทธิจิตตวิสุธทธิเป็นต้นเป็นไปได้อยู่แล้วที่จะ บรรลุพระนิพพานน่ยนะบทว่าสำประหังเสติความว่าเมื่อทรงทําจิตของพิสูจน์เหล่านั้นให้ยินดีให้ร่าเริงด้วยกับการประกาศอ น, นิสงฆ์แห่งพระนิพพานโดยในเป็นต้นว่าธรรมนี้เป็นที่สางความเมาเนี่ยนะความเมาในวัยเมาในชีวิตเมาในศิลปะวิทยาฐานะชาติโคตตระกูลเป็นต้นเนี่ยนะถ้าแทงตลอดพระนิพพานแล้วจะหายเมา เป็นที่กำจัดความกระหายเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรอานะพระนิพพานเนี่ยนะถ้าผู้ที่บรรลุพระนิพพานพานี่หายหิวเลยหายกระหายนะอ่าเขาบอกว่ากิเลสการมทั้งหลายเนี่ยมันหิวอย่างเง้จริงๆมันมันไม่อิ่มนะมันมันหิวมันไม่ไม่รู้จักอิ่มนะมันกระหายอยู่นั่นแหละถ้าแทงตลอดพระนิพพานอันนี้ก็ทำให้เลิกหิวนะแล้วก็เพิกถอนอะไรตัดอะไรเสียได้ แล้วก็พระนิพพานนี้เป็นธรรมะเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สิ้นโทสะเป็นที่สิ้นโมหะพระนิพพานนี่แหละเป็นอสังขตธรรมพระองค์ก็ตรัสถึงว่าอมตะธรรมสันติธรรมดังนี้ชื่อว่ายังภิกสุให้ร่าเริงให้เบาใจนะนะวัตตะทั้งหลายถึงจะมีภัยถึงจะน่าเกรงกลัวมากมายแต่ว่าพระนิพพานที่สงบประงับดับวัตตะเหล่านั้นมีอยู่นะ พันก็ให้ร่าเริงให้ดีใจให้เบาใจมีใจน้อมไปในนิพานโอนไปในนิพานถามว่าเอาใจเฉยๆโอนไปเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่หรอกหมายถึงว่าข้อปฏิบัติที่จะทําให้ไปสู่พระนิพานตัวนั้นต่างหากข้อปฏิบัติ น, นั้นก็คือการเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพ่อชงนั่นแหละก็เจริญโพ่อชงเหล่าเนี้ยพยายามเจริญแล้วโอนไปโน้มไปเนี่ยนะโน้อมไป แต่ถ้าจิตไม่โอนไปไม่เองไปไม่น้อมไปเลยมันจะเป็นยังไงนั่นก็บรรลุไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็แข็งทื่อเถื่อผันผู้ที่เจริญแม้กระทั่งมหากุศลเจริญได้รูปฌานอรูปฌานถ้าจิตไม่น้อมไปเพื่อแทงตลอดนะก็ไม่ใช่ฐานะที่ที่จะเป็นไปได้ถึงได้ฌานก็อยู่อย่างนั้นแหละผันผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเฝ้าวัตถ์เนี่ยนะถึงได้ฌานได้รูปฌานได้อรูปฌานก็ตามจิตก็ไม่น้อมไปเพื่อ แทงตลอดอสังคาตาธาตุคือการได้ฌานทั้งหลายเนี่ยนะก็นับเป็นวิสุทธิข้อที่ที่เท่าไรข้อที่สองข้อที่สองอันวิสุทธิข้อที่สามสี่ห้าหกเจ็ดทำไมไม่เจริญต่อไปพันก็ต้องพยายามที่จะเจริญไปโน้มไปเอน็นไปโอนไปเพื่อแทงตลอดอสังคาตาธาตุ ทีนี้พิกษุทั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงให้พระพิกษุ์ทั้งหลายเห็นแจ้งอานานสมาทานร่าเริงเกี่ยวกับพระนิพพานอย่างนี้แล้วหมู่ภิกษุเหล่านั้นก็ทําให้มั่นมนานัสการแล้วน้อมนึกธรรมมีกถาด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสตรลงฟังอธิบายว่าภิกษุทั้งหลายย่อมกําหนดอย่างนี้ว่าสิ่งอะไรอะไรมีอยู่ประโยชน์นี้พวกเราควรบรรลุเป็นผู้มีความต้องการด้วยเทศนานั้นะนะ ถ้าตั้งใจฟังดีๆเงี่ยโสดลงฟังมีจิตน้อมไปเนี่ยบรรลุได้แน่เขาเชื่อขนาดนั้นเลยนะเขามั่นใจขนาดนั้นในเวลาที่เขาฟังธรรมมณสิกกัตตวาความว่าวางไว้ในจิตไม่ส่งจิตไปในที่อื่นกระทําเทศนานั้นให้อยู่ในจิตของตนเท่านั้นไม่คิดนอกเรื่องเลยจิตเนี่ยโอนไปเอ็นไปน้อมไปตามนั้นแหละ สัพพังเจตโสสมณะาริตวาความว่านึกถึงเทศนาด้วยใจอันเป็นตัวนำทั้งปวงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือทำความคำหนึ่งให้อยู่ในเทศนานั้นนะอาวัชนะให้เป็นไปกับเทศนานั้นไม่ยอมอาวัชนะนึกไปในเรื่องอื่นน้อมไปในคำสอนอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งบทวา่าสัพพังเจตโสสมณะฮาริตวาความว่า นำมาเนืองๆโดยชอบซึ่งเทศนาจากจิตทั้งหมดท่านกล่าวคําอธิบายไว้ดังนี้ว่าเมื่อผู้แสดงคือพระพุทธเจ้าทําเทศนาด้วยจิตใดไม่ให้เทศนาที่เป็นไปจากจิตทั้งปวงออกไปภายนอกแล้วนํามาเนืองๆโดยชอบคือไม่ผิดแผกแล้วนํามาในจิตตสันดานของตนมาส่งไว้ด้วยดีซึ่งเทศนานั้นตามที่แสดงแล้วตามที่แสดงแล้วมันเหมือนอะไรนะเหมือนกับการ มีมีมีผู้ส่งใชแล้วก็มีเครื่องรับ น, นะมีเครื่องรับกับเครื่องส่งโดยที่สัมพันธ์กันพระพุทธเจ้าต้องการส่งอะไรต้องการสื่ออะไรให้เข้าใจหมู่พระพิสูจน์ทั้งหลายก็เงียบโสดลงสดับจิตเนี่ยโอนตามน้อมตามเพื่อที่จะรับในสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนํานั่นเองเขาบอกเขาพูดถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่เนี่ยหมู่พระพิสูจน์เนี่ยเงียบเหมือนกับไม่มีคนอยู่เลยนะตรงนั้นเนี่ยถ้ามีใคร กแอมขึ้นแอนอย่างเงี้ยนะอีกข้างๆนี่เอาเข่ากระทุ่งเลยบอกว่าเงียบๆหน่อยพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเพราะเขาถือว่านั่นเป็นประโยชน์ของเขาไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อีกครั้งหรือเปล่าทางเขาก็จัดเรียกว่าเวลาเนี่ยสาระที่สุดให้มีประโยชน์ที่สุดไม่มีเวลาที่จะไปเป็นอื่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตอนหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีการสนทนาการเป็นต้นเนี่ยนะเงียบโสดลงฟังอย่างเดียว แต่ก็มีบ้างเป็นครั้งคราวเช่นพระพิสุเนี่ยเกิดว่างๆขึ้นเกิดมาสนทนากันเรื่องอาหารนะสนทนาเรื่องน้นําปานะเนี่ยน้ำปนานะเนี่ยเขาแจกน้นําปานะนะเอ้ให้ผมบ้างสิให้อุปชาผมบ้างให้อาจารย์ผมบ้างเนี่ยคุยกันเสียงดังสนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นน่ะได้ดีแน่บอกว่าเธอทั้งหลายจงไปเราปรนานะนะเธอไม่ควรอยู่ในสํานักของเราถูกไล่หนีหมดวัดเลยนะเนี่ยนะ คือก็กขาบอกว่าเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาก็ไม่ได้บําเพ็ญบารมีมาเพราะเหตุแห่งสิ่งเหล่านี้พวกเธอมาบวชก็ไม่ได้บวชเพราะเหตุสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามาต้องการสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สมควรอยู่ว่างั้นพระพิสูก็เลยต้องไปตอนหลังพกงษ์ก็นั่นก็เป็นวิธีสอนของพระพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่งนะตอนหลังพระพิสุเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลกันหมด มันพวกพิสูนเหล่านี้เนี่ยท่านจึงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะว่าจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะนำมาเส้นการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเมื่อฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงจิตก็จะเงี่ยเงี้ยโสดเนี่ยนะมันเหมือนกับอะไรกระหายที่จะรับพระธรรมคำสอนท่านเหล่านั้นก็เงี่ยโสดลงสดับไม่มีอะไรเป็นไปในเรื่องอื่นตรึกตามพระธรรมก็บรุได้ การที่ตั้งใจเงี่ยโสดลงสดับไม่ยอมฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าอันนั้นแหละเป็นสมาธินีเป็นการอบรมสมาธิสีโดยโดยพระพุทธเจ้าเป็นอุปนิสัยที่สาคัญให้ในในในสมัยนั้นๆเนี่ยนะเพราะว่าตอนหน้าพระพุทธเจ้าไม่มีใครกล้าคิดเป็นอื่นหรอกเช่หรอ